พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสองสุตตันตปิฎกอังคุตรานิกายฉักกะนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีหกข้อในหมวดนี้จัดเป็นหมวดห้าสิบรวมสองหมวดหมวดพิเศษนอกห้าสิบอีกสองหมวดจึงมีพระสูตรประมาณหนึ่งร้อยสูตรเศษปฐมปันนาตหมวดห้าสิบที่หนึ่งวัฏที่หนึ่งอาหุเนยวัฏว่าด้วยผู้กวรของคำนับ ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรแกทักิีนาหรือของถวายควรทาอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโหตภะรู้ธรรมะแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีสติสัมปชัญญะวางเฉย แล้วทรงแสดงภิกษุที่ประกอบด้วยธรรมะหอย่างคืออภิญญาหกมีอิทธิวิธีแสดงรุดได้เป็นต้นทรงแสดงว่าภิกษุที่ประกอบด้วยอภิญญาหกเป็นผู้ควรของคํานับกับแสดงธรรมะสองอย่างคืออินทรีห้าและภละหประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาโดยเพิ่มทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ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 คือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรล์การบริจาคและเทวดาคือคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาประสแสดงธรรมะแก่มหานามสักยะถึงอนุสติหกหรือการระลึกหกอย่างว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่ของพระอริยาสาวกผู้บรรลุผลแล้วรู้แจ้งศาสนาแล้วหมายถึงสำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคล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 คือเครื่องกำหนดหมายเป็นความพ้นไปแห่งนิมิตทั้งปวง 6. การถอนอสมิมานะคือการถอนความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นความพ้นไปแห่งความสงสัยพระสาวรีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงความตายที่ไม่ดีของภิกษุผู้ทาการหกอย่างคือยินดีในการงานที่ไม่ใช่ของบรรพชิต ยินดีในการพูดมากยินดีในการหลับยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในการเกี่ยวข้องยินดีในธรรมะที่ให้เนื่นช้าส่วนในทางดีแสดงตรงกันข้ามเขาฤหัหปตานีผู้เป็นมารดาของนกุลมานกพูดกับสามีผู้เป็นไข้หนักไม่ให้ตายอย่างมีความเพ่งเลงคือกังวลห่วงใย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 ในบ้านที่เห็นแกนอนย่อมไม่เป็นที่รักของชนบทและของกลุ่มชนส่วนสมณพรามที่เห็นแกนอนย่อมไม่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะได้ตรัสแสดงว่าผู้หากินทางฆ่าสัตว์ไม่เจริญตรัสสอนให้เจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก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 ตรัสแสดงว่าคำว่าภัยโรคฝีความค้่องลมเป็นชื่อของกามตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหอย่างพึงทาลายขุนเขาหิ ม, มาพานเสียได้จึงไม่ต้องกล่าวถึงการทำลายอาวิชชาอันต่ำซามธรรมะหกอย่างคือฉลาดในการเข้าสมาธิในการตั้งอยู่ในสมาธิในการออกจากสมาธิ ในความควรแก่การของสมาธิในอารมณ์ของสมาธิในการเข้าสมาธิสูงสูงขึ้นไปตรัสแสดงที่ตั้งแห่งความระลึกหกประการมีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระมหากัจจานะสอนภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องที่ตั้งแห่งความระลึกหกอย่างข้างต้น ตรัสแสดงว่าภิกษุควรเข้าไปหาภิกษุผู้อบรมจิตหกสมัยคือเมื่อถูกนิวรณห้าครอบงำและเมื่อใส่ใจนิมิตใดเป็นเหตุให้อาสวกไม่สิน้นภิกษุก็ยังไม่รู้ไม่เห็นนิมิตนั้นเข้าไปแล้วจะได้ขอให้สั่งสอนภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงสมัยที่ควรเข้าไปหาภิกษุอบรมจิตตามความเห็นของตน พระมหากัจจานะแสดงสมัยหกตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ตรัสถามพระอุทายีเรื่องที่ตั้งแห่งความระลึกพระอุทายีตอบไม่ได้และตอบเลี่ยงไปอย่างอื่นเมื่อตรัสถามพระอานนท์พระอานนท์ตอบชี้ไปที่การเข้าฌานการใส่ใจอโลกสัญญาคือความกำหนดหมายว่ามีแสงสว่าง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 มีศีลที่พระอริยเจ้าใครข้อนี้คือโสดาปติยังค้องค์แห่งพระโสดาบานันสีต่อเมื่อเกิดองค์สีดังที่กล่าวมาผู้นั้นจึงเกิดญาณเช่นนั้นตรัสแสดงธรรมะหกอย่างที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาในวงเล็บวิชาภาคียะได้แก่อณิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยง อนิจเจทุกขสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกเคอนัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่เป็นทุกข์ปหาณะสัญญาความกำหนดหมายในการละวิราคะสัญญาความกำหนดหมายในการคลายความกำหนัดยินดีนิโรธสัญญาความกำหนดหมายในการดับ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 ไม่ทำให้บริบูรณ์ในศิขาก่อวิวาทขึ้นในสง์อุบาสิกาชื่อเวลุกันตะ ก, กีผู้เป็นมารดาของนันทมานกประดิษฐานทักคินามีองค์หกในภิกษุสงฆ์มีพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสชี้แจงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าองค์หก คือองค์สามฝ่ายทายกคือฝ่ายผู้ให้ได้แก่มีจิตผ่องใสก่อนให้มีจิตผ่องใสกําลังให้มีจิตผ่องใสเมื่อให้เสร็จแล้วส่วนองค์สามฝ่ายปฏิคาวหกหรือผู้รับได้แก่ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อละราคะปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อละโทสะ ราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อละโมหะทักคิณาที่ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้มีบุญอันไม่ง่ายที่จะนับจะประมาณทรงสแสดงธาตุหกคืออารัมพธาตุความริเริ่มนิกรรมธาตุความก้าวออกบรกรรมธาตุความบากบันธามธาตุเรียวแรง ทิติธาต์ความอดทนอุปักรมาธาต์ความพยายามทั้งหกข้อนี้เป็นชื่อของความเพียรเพื่อชี้แจงให้พรามผู้หนึ่งละทิ้งความเห็นผิดปฏิเสธการกระทาของตนและของคนอื่นว่าไม่มีตรัสแสดงโลภะโทสะโมหะและอโลภะอโทสะโอะโมหะ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 พระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญทางจิตอาจอธิษฐานให้ท่อนปืนเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมให้งามให้ไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะมีาธาตุทั้งหกคือปฐวีาธาตุถึงอสุพาสธาตุอยู่ในท่อนไม้นั้นตรัสกับพระนาคิตเรื่องไม่มีพระพุทธประสงค์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 คนทั่วไปเห็นสัตว์ใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือมนุษย์ใหญ่ก็เรียกว่านาคะแปลว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์ตรัสว่าผู้ไม่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจว่าเป็นนาคะหมายเหตุคำว่านาคะมาจากคำว่านักะนาคะในที่นี้สะกดด้วยนอหนูคอควายสะระอะซึ่งแปลว่าภูเขา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 เมื่อตอบว่าใช่จึงตรัสว่านั่นคือธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการเป็นต้นตรัสตอบพรามผู้หนึ่งในธรรมนองเดียวกับปริพาชกเป็นแต่ตรัสถามให้ตอบในเรื่องราคะความกำหนัดยินดีและสันโทสะการประทุษร้ายทางกายวาจาใจพระเขมะกับพระอุตระ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 ตามที่ถามคือหนึ่งกระสัประสงค์รั์พิจารถึงปัญญาตั้งจิตถึงกำลังคือพลกายใส่ใจถึงแผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 2. พรามประสงค์ซั์พิจารถึงปัญญาตั้งจิตถึงมนใส่ใจถึงยันคือการบูชา มีพรหมโลกเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 3. เข้ารือห์หาบบดีผู้ครองเรือนหรือพ่อเจ้าเรือนประสงค์ทรัพย์พิจารณถึงปัญญาตั้งจิตถึงศิลปะใส่ใจถึงการงานมีการงานที่สำเร็จเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 4. สตรีประสงค์บุรุษพิจารณถึงเครื่องประดับตั้งจิตถึงบุตร ใส่ใจที่จะไม่มีสตรีอื่นมาร่วมสามีมีความเป็นใหญ่เป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 5. โจรประสงค์จะขโมยผิดจารถึงป่ารบตั้งจิตถึงสัตวราใส่ใจถึงความมืดมีการไม่ถูกเห็นเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 6. สมณะประสงค์ขันติคือความอดทนและโสรจัด